น้อมน้อมต่อคุณพระตนตรัยโอกาสเพื่อสามีทุกท่านเจริญธรรมแม่ชีและญาติธรรมทุกท่านก็นั่งสบายสบา ย, บายเนาะพวกเราก็ส่วนหนึ่งก็ไปเดินธรรมยาตามาเนาะก็ได้มีประสบการณ์มากมายแปดวันได้เดินเห็นว่าปีนี้เดินเดินไกลเดินลำบากเดินแบบ แบบไก่บางทีบอกว่าได้พักแป๊บเดียวก็เดินต่อแล้วบางคนบอกว่าเหนื่อยมากเลยนะแล้วก็กลับมาก็ตัวดำๆกันหลายคนเนาะก็ก็ดีนะก็ถือว่าเราไปฝึกความอดทนอดทนในการเดินเดินทางไกลนะปีนี้เห็นว่าต้องร้อยกว่ากิโลนะเดินทางไกลอยู่มากกว่าปีก่อนๆเนาะได้ความอดทนนะ ความอดทนจากหลายๆอย่างใช่ไหมการเดินนะบางคนถ้าไม่เคยเดินมาจําก็คงยจะเมื่อยเดินไกลๆไกลๆนี่มันต้องเหนื่อยนะต้องเมื่อยแล้วก็อากาศร้อนนะบางทีก็ร้อนแต่บางช่วงก็อากาศดีอากาศเยน็ยนๆก็มีใช่ไหมแต่บางคนก็เลยาว่าก็มันต้องปรับตัวเพราะเราไม่เคยเดินทางไกลเนาะอาหารการกินก็คงไม่ค่อยสะดวกเนาะพวคนก็เยอะ แล้วก็อาหารก็คงจะพอสมควรนะเราก็ทานมากก็ไม่ได้เพราะคนเยอะนะห้องน้ําก็คงไม่สะดวกนะเห็นว่าตามวัดบางแห่งก็มีอยู่สองห้องสามห้องนะต้องไป อ, ไปอาศัยชาวบ้านแถวๆนั้นนะที่อาบน้ําอะไรก็คงไม่ไดมีนะมันก็ไม่สะดวกหลายเรอยอย่างใช่ไหมที่หลับที่นอนก็ไม่สะดวกนะเพราะเราก็นอนเต้นกันในชะ่ไหมไม่เหมือนกับนอน บ้านเรานอนในห้องนะอากาศก็คงจะเย็นเย็นหนาวหนาวบ้างใชนะ่มันก็เราก็บางทีก็ต้องตื่นเช้านอนดึกมีกิจกรรมอะไรต่างๆนะมันก็นอนดึกดูแ่งกลางวันก็เดินไกลอ่านะต่างๆก็ไม่สะดวกเนาะอันนี้ก็ถือว่าต้องมีความอมดทนนะความอมดทนก็เรียกว่าเป็นตบายยิ่งๆนะขันตีประะมังตะปะวติติขา ขันติคือความหมดกลัน้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลส อ, อย่างยิ่งเนาะพราะเราผ่านมาก็ต้องอดทนยอมรับนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นใช่ไหมแล้วกนะ็ต้องมีความเพียรความพยายามเนะี่ยแต่การเดินทุดงก็ดีนะเดินธรรมยาตาเนี่ยก็เหมือนกับเราเดินทุดงอีกอย่างหนึ่งล้วก็เป็นการเดินจงกรมนะเราก็เดินเราก็รู้สึกตัวไปรู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็ได้ได้สติ ได้สมาชัญยะนะก็เป็นสิ่งดีดีนะช่วงที่เราเดินธรรมญาตากับอาจารย์ก็ไปอบรมกลุ่มที่อสมมาตาก็ไปเดินทุดงเหมือนกันเดินกลางคืนด้วยกลางคืน ด, ด, ดึกๆ ก, ก็ไปเดินกันมืดๆนั่นแหละมืดๆก็มีไฟฉายไปโคลนอันพอไปบางแห่งก็บอกหยุดหนะยุดปิดไฟฉายมืดตึ๊ดเลยให้ยืนนิน่งๆดูใจตัวเองตอนหลังบอกว่ายืนในที่มืด มันก็ยืนคนเดียวเลยได้ความนิ่งความเงียบความสงบได้รู้จักใจตัวเองได้เห็นตัวเองชัดเจนมันไม่เห็นคนอื่นเห็นตัวเองนะมีเสียงสัตว์เสียงอะไรแยะน่ากลัว <c oughs> <c oughs> ก็ไปฝึกใจกันเนาะนะมันมันเป็นการเรียกว่าเราไปฝึกตัวเองฝึกที่ว่าเราอยู่คนเดียวได้ไหมใช่หมหยิ่งถ้าไปคนเดียวนะยิ่งยิ่ง ได้รู้จักตัวเองมากขึ้นเนาะสมัยก่อนอานะจารย์ก็เคยไปทุดงเหมือนกันแต่ก็ไปคนเดียวทุดงนี่ไปคนเดียวตลอดเลยบางคนจะติดตามไปก็ไม่ให้ไปเราก็ไม่มีเงินไม่ได้บาทเดียวนะก็ต้องเดินไปนะไปพักในป่าช้าบ้างพักในป่าบ้างก็ได้ความบีเว้เพราะว่าเราไปคนเดียวมันได้อยู่กับตัวเราเองแล้วกนะ็ไม่ได้พูดคุยกับใครเนาะ พูดคุยกับใรแล้วมันก็มันก็หลุดจากลมไปแล้วการ <c oughs> การไปคนเดียวเนี่ยมันก็มันพึ่งพาใส่ใครไม่ได้เราก็ต้องระวังตัวเองจากภัยรอบๆตัวซึ่งก็ไม่รู้ว่าสถานที่นั้นมีอะไรบ้างจิตมันก็จะได้ไม่ส่งออกนอกมากก็กลับมาอยู่กับตัวเองแล้วนี่แหละมันอาศัยอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นนะั่นเราไม่รู้ว่าต่อไปพรุ่งนี้เช้าจะมีข้าวชันหรือเปล่า <c oughs> ไม่ไม่รู้เป็นยังไงนะั่นก็ ได้หลายๆอย่างที่ว่ามันต้องอดทนจริงๆน้ำดื่มบางคืนมันก็ไม่มีน้ําดื่มบางทีไปเจอบ่อน้ําเล็กๆต้องรีบแปรงฟันเลยไม่ต้องหวังว่าจะไปอาบน้ําแค่แปรงฟันก็พอแล้วมันก็ต้องอาศัยช่วยตัวเองอย่างหนักแต่สิ่งที่ได้ก็คือเราได้อยู่กับตัวเองจริงๆอยู่ความมืดความเงียบเนาะอะไรอย่างเงี้ยบางทีกคืนก็เดินเหมือนกันเดินไปบางแห่งก็มาไล่เห่าพอเข้าหมู่บ้านนี่มันเงียบสนิทจริงๆนะ พอเดินไปกลางคืนเนี่ยหมาตัวแรกมาเห่าปุ๊บมันออกมาเห่ากันทั้งหมู่บ้านเลยมันจะเห่าตลอดทางจนกว่าจะพ้นหมู่บ้านไปนะออันนี้มันก็ได้ได้ความตื่นเต้นเหมือนกันเพราะไม่รู้มันจะมากัดหรือเปล่าเยอะเลยไลๆเป็นสิบสิบตัวนะครั้งนี้มันไม่ค่อยเจอสัตว์แล้วสมัยนี้จะเจอช้างบ้างเห็นแก่รอยเท้าช้างเห็นตะขี้ช้างะเห็นได้มันหักต้นไม้ข้างหน้าอยู่เรื่อยๆไม่รู้จะเจอันเมื่อไหร่นะครั้งนี้มันก็เออมันก็ แต่ว่าพวกเสืออะไรมันก็ไม่มีแล้วในยุคนี้นะจะเจอช้างบ้างก็ต้องระวังท่างนั้นเองการนี้อืการนี้เราก็ต้องระวังตัวเราในในหลายๆอย่างนะก็ได้สิ่งนี้เรียกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เรียกว่าจิตใจมันจะได้ไม่ค่อยส่ง อ, งออกนอกมานะบางทีอยู่ในกฎนี่ก็อาจจะได้เสียงแปลกปลกรดนี่มันไม่เหมือนกับเต้นนะั่นมันบางนิดเดียวมันก็สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้นะมัน มีเสียงอะไรแปลกแล้วก็ต้องระวังจิตก็ไม่ส่งนอกก็ต้องรู้ตัวตลอดเวลาเนาะกลางคืนนอนได้ยินเสียงแปลกก็ต้องอยู่กับตัวเราไม่ส่งจิตน อ, อกนอกถ้าส่งจิตวานองนอกไปก็ไปปรุงแต่งโอ้เสียงอะไรนะเสียงแปลกเสียงใครมาเดินรอบๆหรือเปล่าเสียงถ้าปรุงแต่งเป็นผีไปอะไรมันก็ยิ่งยุ่งใช่หไหมเราก็กลับมารู้ตัวเราเองอย่าส่งจิตนอกนอกอย่าไปปรุงแต่งอยู่กับตัวเราเองปุ๊บ คือไม่คิดอะไรต่ออยู่สติของเราเองอยู่ความรู้ตัวของเราเองเมื่อไม่คิดแล้วมันก็ไม่ปรุงแต่งเมื่อไม่ปรุงแต่งมันก็ไม่กลัวใช่ไหมแต่ถ้าเราไปคิดเอ๊นี่เสียงอะไรอะไรเงี้ยมันคิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆมันก็กลัวกลัวบางทีมันก็อันตรายนะบางทีมันก็บางคนนี้ก็เลยาว่าอาจจะมันหลุดไปเลยหลุดไปเลยไม่ก็อาจจะหนีไปเลยอะไรทำนองเนี้ยเพราะไม่ไปปรุงแต่งมากเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับตัวเองไม่ได้อยู่ ความรู้สึกตัวเนี่ยแต่ถ้าเรารู้สึกตัวเราก็อยู่กับตัวเราเองได้แล้วก็ไม่ไปปรุงแต่งไม่ว่าเสียงอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ไม่ไปให้ความสนใจไม่ไปให้ค่าอยู่ตัวเองเราก็อยู่ได้ะนะตรงนี้ถ้าเราตรงนี้ได้นะมันผ่านมันก็สบายมันก็ไ ม, ไม่ไม่ต้องไปกลัวอะไรนะอันนี้เป็นหลักการสําคัญในการทุดดงเพราะว่ากลับมารู้จักตัวเราเอง กลับมารู้จิตใจเราเองการมารู้สึกตัวไม่ส่งจิตต่างนอกเท่านั้นเองก็ไม่มีไหลเนาะมันก็เป็นสิ่งแล้วเรารักษาใจเราได้ไหมใช่ไหมคราวนี้เราไปทุดงไปธรรมยาตากลับมาแล้วเราก็มีประสบการณ์นั่นที่ว่าเราอดทนในตรงนีเเ้เอามาใช้ได้อดทนในสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นนะประการแรกเรามีความอดทนไหม นะกลับมาแล้วเราไม่อดทนเราก็ไม่ได้ประสบการณ์ในตรงนั้นมาใช้จริงๆใช่ไหมมันก็แค่เราไปเที่ยวเท่านั้นเองใช่ไหมแต่เราต้องอาศัยประสบการณ์ที่ความอดทนนี่แหละมา <c oughs> มาทำต่อเราก็เรียกว่าได้ประโยชน์ใช่ไหมนะหรือได้การเดินจงกลมในการเดินในะถ้าเราได้มาก็นํามาใช้ต่อเราก็เดินไกลๆก็ได้เราก็รู้สึกตัวได้ด้วยใชมอันนี้ก็สามารถนํามาใช้ได้ <c oughs> หรือฟังทําอย่างครูบาอาจารย์แล้วเราก็มามาไข้ควร เอามาใช้ได้นะท่านประเทศในเรื่องสติเรื่องต่างๆนี่แหละก็นํามาใช้เนาะก็อย่าทิ้งไปในการเดินธรรมยตาแต่เก็บสิ่งดีนะกลับมาค่อควรเอามาใชใ้เป็นประโยชน์ต่อเนาะแล้ว <c oughs> การเดินนี่ก็คือตัวเราใช่ไหมตัวเราเนี่ยมันก็คือกายและใจของเราเนี่ยไปเดินนะขณะนี้กายและใจของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนนะจริงๆมันก็คือการเดินจงกรมทุกแห่งใช่ไหมไม่ว่าตรงนั้นจะเป็นธรรมยตา ในป่าในเขาหรือว่าในบ้านหรือว่าที่วัดเพราะว่ากายและใจเราเนี่ยมันมันคือของจริงนะคือของจริงกายและใจนี่จะอยู่ที่ไหนใช่ไหมอยู่ในที่ไหนก็แล้วแต่อยู่ต่างประเทศหรืออยู่เมืองไทยมันก็อยู่กับกายและใจเราเท่านั้นเองนะถ้าเรากลับมาอยู่ที่กายและใจเราทุกถึงก็คือที่ที่เราไปฏิบัติธรรมทั้งหมดเลยนะคือการเดินโยมกลมและตลอดเนาะบางทีเราลืมไปเราคิดว่าธรรมะานตานี่ก็คือ เป็นที่เราปฏิบัติธรรมแต่พอมาอยู่บ้านหรืออยู่บัสเราก็ลืมไปไม่ปฏิบัติธรรมอันนี้ไม่ถูกต้องใช่ไหมการปฏิบัติธรรมหรือเดินธรรมยาตาก็คือทุกๆแห่งนั่นแหละคือธรรมยาตาของเราก็คือรู้รู้ในการเดินทุกๆก้าวไปมันจะไกลขนาดไหนนะสิกิโลยี่สิกิโลจุดหมายปลายทางมันอยู่แค่ปลายเท้าเราเท่านั้นเองใช่ไหมถ้าเราคิดมาว่ามันไกลจังเลยสิห้ากิโลเนี่ยมันก็เหนื่อยแล้ว แต่เราคิดว่าจุดหมายปลายทางอยู่ที่ปลายเท้าเราแค่เนี้ยมันก็ไม่เหนื่อยใช่ไหมมันก็จบทุกๆก้าวนะถ้าเราบางที <c oughs> การเดินไปไหนบางทีโอ้ข้างหน้าไกลมากเลยสมัยก่อนเคยเดินเท่าสิบกว่ากิโลเนี่ยจะเดินเป็นประจำสบายสบายเนาะไม่ได้คิดว่าเป้าหมายข้างหน้ามันสิบกว่ากิโลบางทีจะไปวัดไหนเนี่ยตั้งเป้าอะไรสิบกว่ากิโลนี่เดินสบายสบายนะหรือถ้าไกลขนาดเราก็เดินไม่ได้คิดอะไรคือมัน มันไม่ได้คิดตั้งเป้าแต่ถ้าจะไปวัดเนี่ยมันมันจะตั้งเป้านิดนึ่งโอ้มันไกลแต่เราเดินแต่ละก้าวนี่มันมันไม่เหนื่อยมันก็ไม่ได้ตั้งเป้าเดินยังไงก็ได้นะเพราะเราไม่มีเป้าปุ๊บมันก็เดินสบายนะแต่ถ้าเราคิดตั้งเป้ามันก็ไกลมันก็เราบางทีเราขับรถไปใช่ไหมขับรถไปไม่เคยไม่เคยไปที่ไหนเลยไม่เคยไปที่เราจะไปเราจะคิดเมื่อมันจะถึงเมื่อไหร่นะเราก็คอยสังเกตดูว่ามันนานจังเลยมัน มา่อยรถึงมันนานใช่ไหมแต่พอไปถึงปุ๊บตอนขากลับจากวัด น, นั่นนะขับออกมาก็ปุ๊บมันรู้สึกมันแ ป, ป๊บเดียวว่ามันกลับมาถึงแล้วเพราะเราไม่ได้ตั้งเป้ามันไม่ได้ตั้งเป้าว่าขากลับเนี่ยเรารู้อยู่แล้วก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่ายัางไงมันก็แ ป, ป๊บเดียวใช่ไหมก็เหมือนกันเราไปไหนปุ๊บเราตั้งเป้าปุ๊บมันเอื่อไรจะถึง <c oughs> มันทําไมไกลขนาดนี้นะแต่บวชหลังนั้นพอขากลับเนี่ยมันจะเร็วเพราะเราไม่ได้ตั้งเป้า <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยชีวิตเราก็เหมือนกันใช่ไหมเรากาบรบิดธรรมก็คือ แต่แลักษณนะในปัจจุบันนี่สําคัญที่สุดเลยว่าเราอยู่ปัจจุบันจริงๆริ ง, รงไหมหรือไปอยู่อ น, นาคตใช่ไหม <c oughs> ถ้าเราคิดไปอ น, นาคตเราก็คือนั่นแหละตรงนั้นเป้าหมายปุ๊บเนี่ยอนาคตแล้วนะแต่ถ้าเราอยู่ปัจจุบันแล้วมันก็ไม่ต้องไปคิดถึงอนาคตเพราะว่าปัจจุบันนี่สําคัญที่สุดการอยู่ปัจจุบันนี่นะถ้าเราอยู่จริงๆแล้วเราก็ไม่ทุกข์หรอกใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่ว่าเราไม่ไปไปรุงแต่งถึงอดีตหรืออ น, นาคตอะไรทั้งสิน้นใช่ไหม มันออกจากความคิดได้นะเราเรานั่งเนี่ยคือปัจจุบันของเรานะเรานั่งเนี่ยมันเป็นมันเป็นความจริงนะเรานั่งนิง่งๆก็เป็นความจริงเราไม่ได้คิดเรากําลังนั่งหรือนั่งหนอแต่ก็การนั่งนี่คือความจริงเพราะว่าขณะนี้มันเป็นความจริงในปัจจุบันเราจึงไม่ไดงคิดอะไรมันหรือบางท่านอาจจะยกมือสร้างยังหวะแล้วก็ไม่ได้คิดว่ากําลังยกมือยกหนอแต่มันก็คือความจริงไม่ต้องใส่ความคิดอะไรเลยใช่ไหม หรือได้ยินเสียงที่พูดเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ต้องคิดว่ายินหนากําลังฟังเพราะมันเป็นความจริงในขณะนี้ที่เกิดขึ้นแล้วมันก็อาอศสยเรารู้รู้ไปตามความจริ ง, งนั้นเองมันก็จะความความคิดได้ใช่แต่ถ้าเราเ <c oughs> มื่อวานนี้เราทานข้าวกับอะไรเนาะเราต้องไปอศสยความคิดแล้วใช่หหรือพรุ่งนี้จะทำอะไรก็ต้องอศสยความคิดแล้วนั่นแหละเมื่อมีความคิ ด, คดไปปรุงแต่งต่งตอไป เพราะการที่อยู่กับปัจจุบันนี่มันเป็นการออกจากความคิดได้ออกจากความปรุงแต่งได้ใช่ไหมเมื่อคิดแล้วก็จะปรุงแต่งต่อแต่ถ้าเราอยู่ปัจจุบันจริงๆแล้วมันไม่ต้องอาศัยความคิดมันก็อาศัยความรู้เท่านั้นเองนะความคิดกับความรู้นี่มันต่างกันใช่ไหมความคิดนั่นแหละมันจะไปปรุงแต่งต่อเป็นแบบนี้ปุ๊บนะจะทําอะไรปุ๊บก็ไปปรุงแต่งต่อนะนะหรือว่าใครมาว่าเราก็ไปปรุงแต่งต่อนะอันนี้สมมติใครมา มามนินทามาว่าเราปุ๊เราได้ยินก็ไปเจะไปปรุงแต่งต่อว่าเราทําไมด่าเราทําไมไปปรุงแต่งต่อมาหรือขับรถแล้วรถมาปาดหน้าเราก็ไปปรุงแต่งต่อไปคิดเออแค่นี้ทำไมปาดหน้าเราไม่เบรกก็อย่าไปแล้วนะชนไปแล้วนิสัยไม่ดีนะปรุงแต่งต่อนะปรุงแต่งต่อแล้วเป็นไงแล้วก็มีความทุกข์นะมีความโกรธต่างๆตามมาอันนี้เขไม่ได้ไม่รู้ทัน ความคิดเรานะเราก็ไปปรุงแต่งต่อความคิดนั่นแหะถ้าเราไม่ตั้งใจแล้วมันคิดเองนะมันก็เป็นความหลงทั้งนั้นนะคิดในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เป็นความหลงนอกจากว่าความตั้งใจคิดเพราะการที่เราสามารถสังเกตความคิดได้เราก็ไม่ไปปรุงแต่งต่อใช่ไหมแต่การที่จะมาสังเกตความคิดได้มันไม่ทันหรอกเพราะมันปรุงแต่งมันไวมากตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมันมันกระทบปุ๊บมันจะปรุงแต่งมาที่ใจเนี่ยรวดเร็วมากนะเพราะเราไม่มีกําลังในการรู้เท่าทันความคิดต่างๆ เพราะงั้นการที่เราอสามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันได้เนี่ยมันเป็นการฝึกให้เราไม่ต้องคิดแต่กลับมารู้กลับมารู้ในปัจจุบันนี่แหละพอหลงพ่อเทียนก็เลยให้เรายกมือสร้างอว่าอยกมือสร้างว่าก็คือให้เราอยู่กับปัจจุบันออกจากความคิดได้ไหมมาอยู่กับความรู้สึกตัวได้ไหมมารู้กับปัจจุบันได้ไหมแต่ก็ท่านก็ไม่ให้ไม่ห้ามความคิดนะคือมันคิดปุ๊บเนี่ยเรารู้ทันอกลับมารู้สึกตัวคิดปุ๊บรู้ทันกลับมารู้สึกตัวมันก็มันก็กลับมาเ่มส์ หรือถ้าเรารู้ทันแล้วมันก็ดับไปดับไปเราก็เห็นความคิดมันก็ดับไปแต่ถ้ามันมันไม่ดับมันยังคิดต่อเราก็เห็นความคิดได้มันก็เห็นความคิดเออกำลังคิดเรื่องอะไรเนี่ยเราจะรู้ทันเพราะเราเห็นความคิดมันมันจะต่างกันที่ว่าเราเข้าไปในความคิดใช่ไหมตอนนี้ถ้าเราคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านนะเราก็เออที่บ้านทำอะไรนะกาลังหุงข้าวนะกำลังเตรียมตัวนักเรียนจะไปโรงเรียน นะตอนนี้อาจจะกําลังอาบน้ําแปางฟันเราเดี๋ยวก็จะไปทํางานทันไหมอันนี้เราเข้าไปในความคิดใช่ไหมแต่ถ้ารู้ทันปุ๊บรู้สึกตัวมันรู้ทันมันก็มันก็ดับไปเลยแต่ถ้ามันยังคิดต่อเราก็จะเห็นความคิดแล้วมันกําลังคิดเรื่องเรื่องเนี้ยเขาจะไปทํางานทันไหมเราก็เห็นมันละเออกำลังคิดนะอันนี้มันถึงว่ามันมันยังคิดอยู่แต่เราก็เห็นมันอันนี้เขาเรียกว่าเราเห็นความคิดแล้วเราไม่เข้าไปในความคิด เราก็ไม่ห้ามความคิดด้วยอันนี้ตรงที่หลวงประเทียนบอกนะให้เห็นความคิดไม่เข้าไปในความคิดแล้วก็ไม่ห้ามความคิดนะแต่้เมื่อเราเห็นความคิดแล้วสักพักมันก็ดับไปนะตรงนี้มันเป็นประเด็นสําคัญมากเลยเพราะว่าเ <c oughs> มื่อก่อนเราปรุงแต่งเราก็ไม่เห็นนะปรุงแต่งแล้วก็ไหลเข้าไปในความปรุงแต่งเนะข้ามาว่าเราเข้ามานินทาเรานิสัยไม่ดีอะไรเงี้ยเราจะไม่คบกับเขาแล้วอะไรเงี้ยอันนี้คือเข้าไปในความคิด แต่ถ้าเราเห็นความคิดหเห็นความปรุงแต่งก็เห็นเออตอนนี้ก well. ํ well. าลังหงุดหงิดแล้วนะกําลังไม่พอใจแล้วนะคำว่าเราเราเห็นนะคำว่าเราเราไม่พอใจเราเห็นแล้วก็คือเราเห็นความปรุงแต่งแล้วความปรุงแต่งก็เลยทํางานต่อไปไม่ได้มันก็ดับไปหรือว่ามันอาจจะทํางานแล้วเราก็เห็นนั้นปรุงแต่งต่ออีกมันก็หยุดไปมันก็มันก็ไม่เกิดความ ความพยาบาทความปองร้ายต่างๆตามมาเพราะเราเห็นมันใช่ไหมแต่ถ้คนไม่เห็นมันเรื่องนี้เดียวก็กลายเป็นความพยาบาทไปก็มีใช่ไหมบามงทีรถยนต์ชนกันนิดเดียวหรืออะไรเนี่ยลงมาชกต่อยกันบางทีก็ยิงกันตายก็มีก็จากเหตุนเนี่ยว่ารู้ไม่ทันความปรุงแต่งในใจเราเพราะการที่เราเห็นความคิดแล้วเราไม่เขาเ้าไปคิดเนี่ยมันก็จะเห็นความปรุงแต่งต่างๆได้เห็นกิเลสต่างๆได้นะความโกรธก็เกิดจากความคิดนั่นเองนะเรารู้ไม่ทันก็ไปปรุงแต่ง เป็นความโกรธความรัดไปนะอย่างยกตัวอย่างใครก็มาด่าเราเนี่ยนะมันก็ไปปรุงแต่งเป็นความไม่ชอบใครมาชมเราก็ปรุงแต่งเป็นความชอบนะนี่เรู้ไม่ทันใช่ไหมตอนครบูบาอาจารย์เขาบอกว่ารู้เฉยๆได้ไหมนะรู้เฉยๆรู้ซื่อๆนะแต่การที่จะรู้เฉยๆรู้ซื่อๆเนี่ยมันมันเป็นเรื่องยากมันไม่ใช่ง่ายๆหรอกมันอาจจะพูดได้แต่จริงๆมันรู้ได้ไหมใช่ไหมมันรู้ไม่ได้หรอกเพราะมันมันวัย จิตใจคมันไวมากแป๊บเดียวมันไปปรุงแต่งต่อแล้วนะม่อนจึงต้องกลับมาอยู่กับปัจจุบันไปบ่อยมนาะกลับมารู้ปัจจุบันนี่แหละเมื่อรู้แล้วมันเป็นยังไงก็ออกจาก ค, ความคิดได้นั่นเองนะตอนนี้ถ้าเรานั่งกลับมารู้ว่าเรานั่งเนี่ยมันอยู่กับปัจจุบันแล้วมันพระพุทเจ้าพระพเจ้าไม่ได้สอนอะไรมากสอนให้เรากลับมาอยู่กับตัวเราเองอยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะท่านบอกว่ายืนให้รู้ว่ายืนเดินรู้นั่ง เดินใรูนเดินนั่งรูนนั่งนอนในรูนอน <c oughs> ก็คือกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะอยู่กับตรงเนี้ยเราทําอะไรอยู่ให้รู้ในตรงนี้อื <c oughs> แล้วก็บอกว่า <c oughs> เลี้ยวซ้ายแลขวาเลี้ยวซ้ายแลขวาเดินหน้าถอยหลังคู่แขนเหยียดแขนนะก้มเงยทรงจีวรสังขติดื่มริมกินเคี้ยวอุจจาระปัสสาวะก็ให้รู้สึกตัวว่าขณะนี้นะกาลังทำอะไรอยู่ใช่ไหม ก็คือพระเจ้าให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นเองนะไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรเยอะนี่การที่เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันนี่แหละมันเป็นความรู้สึกตัวนะเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์เขาบอกว่าอืดูกายเห็นจิตมาดูดูกายเห็นจิตนะดูคิดเห็นธรรมาเราก็ถ้าเราดูกายดูกายก็คืออยู่ปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นความคิดก็คือเห็นจิตเห็นอารมณ์ต่างๆได้ ใช่ไหมเมื่อเมื่อเห็นตรงนี้แล้วเมื่อเห็นดูกายเห็นจิตดูความคิดนะดูความคิดก็คือเห็นจิตใจนั่นเองก็จะเห็นธรรมนะเห็นธรรมที่เขาแสดงความจริงในพระไตรลักษณ์นั่นเองนะคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นนักตานี่แหละก็เห็นความจริงในตรงนี้ได้ใช่ไหมเนี่ยพอเราดูกายดูใจก็คือเราก็กลับมาเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นนัตตาเท่านั้นเองเพราะมัน การละใจมันจะแสดงพระไตรลักษ์ตลอดเวลาอยู่แล้วอยู่ที่เราเห็นไหมใช่ไหมถ้าเราเราเห็นความคิดได้เราก็จะเห็นพระไตรลักษ์ได้ไม่ยากเลยใช่ไหมถ้าเราเห็นความคิดได้โอ้แป๊บเดียวมันก็ดับไปแล้วใช่ไหมเราไม่รู้มันเกิดเมื่อไหร่หรอกแต่ถ้าสังเกตนะถ้าเราเห็นความคิดเอามันคิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะมันก็จะดับไปเนี่ยเราก็สังเกตไม่นิดนึงโอ้มันแสดงความเกิดดับแล้วนะเนี่ยมันก็แสดงว่ามันไม่เที่ยงแล้วใช่ไหม หรือเรานั่งอยู่นี่นะเรานั่งอยู่นี่ประเดี๋ยวเราก็ต้องลุกขึ้นไปแล้วนี่มันก็ไม่เที่ยงใช่ไหมเราได้ยินเสียงไก่มันร้องมันก็ไม่เที่ยงมันมันก็ดับไปใช่ไหมนะความความง่วงก็เหมือนกันนะมันก็ดับไปความเบื่อมันก็ดับไปความเหงาก็ดับไปความเครียดก็ดับไปเนี่ยตรงนี้สังเกตได้ไหมเสียงต่งตางๆมันก็เกิดดับตลอดเวลาเลยนะเนี่ยฟังดูงนะ เห็นไะหมันก็ดับไปแล้วเห็นไหมเราก็สังเกต ม, มันไะด้เห็นไหมความคิดก็เกิดดับนะอารมณ์ต่าง ๆ, ๆก็เกิดดับทั้งหมดนะัมันไม่ได้อยู่ถาวรเลยทั้งสิ้นเลยนะเราบอกว่าความรักดีนะอยู่เรานานๆมันก็ไม่อยู่นะมันก็ไปบอกว่าความโกรธไม่ดีนะมันอย่ามาหาเรามันก็มาเห็นไหมแล้วมันก็ไปเนี่ยมันก็แสดงความไม่เที่ยงแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์บอกว่าดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมธรรมก็คือสัจธรรมนะคือสธรรมก็คือความจริงนั่นเอง กลับมาเห็นปัตยรักนี่แหละเพราะฉะนั้นการไปทำทั้งหมดนะถ้าเราจับหลักง่ายๆก็คือเมื่อเราสามารถรู้สึกตัวได้แล้วเราก็กลับมาเห็นความจริงของกายและใจที่เขาแสดงใส่ธรรมให้เราเห็นก็คือว่าไม่เที่ยงนี่แหละเห็นง่ายที่สุดเลยเห็นไหว่าไม่เที่ยงนี่แสดงตลอดเวลานะเราสังเกตนะลมหายใจแล้วก็เกิดแล้วก็ดับใช่ไหมเข้าเข้าแล้วก็ออกออกใช่ไหมไม่ใช่ความจําแล้วความจำบางทียังนึกเอ๊ นึกชื่อไม่ออกจริงๆมันเรียกประจํายังนึกชื่อไม่ออกมันสงสัยยังจริงๆอะไรทาไมมันนึกไม่ออกนะมันมันบางทีมันก็รู้ว่าชื่ออะไรบางทีเพื่อนเนี่ยมาหาเราเราเห็นหน้าเรารู้เลยเพื่อนเราแต่มันก็นึกชื่อไม่ออกใช่ไหมนะมันเป็นสิ่งอย่างนึงเลยว่าเนี่ยมันมันไม่แน่ไม่นอนไม่เที่ยงใช่ไหมอ่าคุณอยู่ตรงเนี้ยเราเห็นในพวกเนี้ยง่ายๆใช่ไหมเรามีความแก่ความเก็บความตายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่ไหมทุกๆนาทีนะ มันเป็นความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยนะเรารู้ไม่ทันหรอกแต่ถ้าเรามันอยู่กับกายอยู่กับใจเห็นมันชัดเจนนะเนี่ยเรานั่งนิ่งเดี๋ยวก็ต้องลุกเป็นแล้วไปเตรียมตัวทําอาหารไปเดินเตรียมตัวไปบินธบาตแล้วใช่ไหมมันจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราจะอยู่ในท่าเดียวท่านึงไม่ได้เลยนะจิตใจเรายิ่งเปลี่ยนแปลงเร็วอย่างนะมันคิดตลอดเวลาเลยนะถ้าเราเดินจงกรมนะเดีวก็เห็นมันคิดแวบไปละเห็นคิดแวบไปละนะเราก็รู้ทันโอ้คิดแวบไปละคิดแวบไปละ มันส so so ่วนหนึ канале, er. ่งก็คือ hmm, ว่าที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราบังคับก็ไม่ได้ใช่ไหมบังคับบัญชาบอกว่าอย่าคิดได้ไหมอย่าคิดสักห้นาทีได้ไหมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันบังคับก็ไม่ได้เลยใช่ไหมอ่าเรายังไม่รู้เลยว่านาทีข้างหน้ามันจะคิดอะไรนะตรงนี้ถ้าเราเห็นว่ามันบังคับเขาไม่ได้จริงๆนะอ่เพราะว่าเราบังคับก็ไม่ได้ก็าจึงไม่เที่ยงใช่ไหมถ้าเราบังคับได้ก็ต้องเที่ยงใช่ไหมต้องดีถาวรเนี่ยแล้วมันมันมันไม่เที่ยงเนี่ย มันจะเป็นความทุกข์ใช่ไหมมันสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นั่นแหละสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นสิ่งใดไม่เที่ยงมีความทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือตามคิดว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราไม่ควรตามคิดฉะนั้นพระเจ้าข้าเนี่ยพอหลังจากที่เป็นแบบนี้แล้วนะพรเจ้าก็แสดงธรรมว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือการได้ใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอักตาอย่างไรออืพระปัญจญวัคคีย์ก็บรรลุปเป็นผลาญทั้งหมดเลยนะเพราะนั้นกลับมาเห็นความจริงนี่แหละว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอักตาบังคับบัญชาไม่ได้เมื่อบังคับบัญชาไม่ได้มันจึงไม่ใช่ตัวเม็ตนของเราใช่ไหมแต่เราบังคับบัญชาก็ไ ด, กได้ก็เป็นตัวเป็นตนของเราแล้วจริงๆเนี่ยเราบังคับบัญชาอะไรได้สักอย่างนึ่งไหมในโลกเนี่ยมันบังคับบัญชาอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นเลยใช่ไหมเมื่อบังคับบัญชาอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นมันก็จึง มีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์นั่นแหละมันแสดงความจริงอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ไปไปทุกข์กับเขานะอืทุกข์เขายัางไงอพอเรามาเป็นนักปฏิบัติเราก็ว่าปฏิบัติทำแล้วมันต้องดีนะต้องดีถาวรต้องดีทุกๆวันตั้งเป้าไว้ต้องต้องดีตลอดไปนะหรือต้องไม่โกรธไม่โลภไม่หลงแล้วมันทําได้ไหมมันก็ทําไม่ได้ใช่ไหมวันปฏิบัติทำแล้วมันดีวันนี้ไม่ดีแล้วก็ทุกข์แล้วใช่ไหม เมื่อวานมันดีวันนี้ไม่ดีเราก็ทุกข์เราอยากให้มันดีทุกวันเนี่ยมาเราอยากให้เป็นดั่งใจนะอันนี้นี่แหละพอเราไปตั้งเปล่ามันก็ไม่ดีแล้วก็มีความทุกข์แต่เราไปบัตรเพื่อหเห็นความจริงมากกว่าความจริงนั่นคือระบังคับก็ไม่ได้เมื่อวานเขาไม่ดีวันเมื่อวานที่เขาดีวันนี้เขาไม่ดีนี่แหละเขาแสดงความจริงแล้วว่าระบังคับก็ไม่ได้เขาจริงไม่เที่ยงให้เราเห็นแล้วเราก็ไม่มีความทุกข์เนาะ การไปฏิบัติธรรมก็คือเราอย่าไปเอาดีนะยิ่งเอาดีเราจะยิ่งมีความทุกข์มากเพเอาดีไม่ได้หรอกนะนะเอาดีนั่นแหละคือมันเป็นตัณหาอยากจะไดนะ้จิตไม่สงบทำมันก็สงบนะจิตเขาฟุ้งซ่านก็ทําให้เขาหายฟุ้งซ่านใช่ไหมทำให้เขาดีนะหรือว่าเขาโกรธทาให้เขาไม่โกรธนั่นะแหละมันทําไม่ได้หรอกแต่การไปฏิบัติธรรมก็คือกลับมารู้ความจริงต่างหารู้ความจริงว่าอะไรว่าเราบังคับเขาไม่ได้ เขจึไม่เที่ยงเราเห็นแล้วนี่มาเมื่อวานดีวันนี้ไม่ดีนี่แหละเขาแสดงความจริงว่ า, าบังคับก็ไม่ได้หรือเราเราทำแล้วเรายังโกรธอยู่ไหมนะความโกรธคือความจริงไหมก็คือความจริงว่าเรายังโกรธอยู่เนี่ยตรงนี้กลับมารู้ความจริงตรงนี้เราก็จะละละความโกรธได้เนะาะเพราะเรารู้ความจริงใช่ไหมเราไม่อาจจะบังคับอะไรตามใจเราได้ทั้งสิ้นเลยใช่ไหมแต่เราไม่น่าที่รู้เท่านั้นเองใช่ไหมบางคนนั่งสมาธิมา บอกว่าโอ้นั่งนะต้องจิตสงบนะไม่คิดอะไรเลยไม่คิดอะไรเลยไม่ได้นิดเดียวครั้นี้พอไม่คิดปุ๊บมันก็ยังคิดอยู่นั่นแหละว่าเราตอนนี้เราไม่ได้คิดอะไรเพราะเราไปบังคับเขานั่นเองใช่ไหมแต่หน้าที่ในการนั่งสมาธิก็คือเรามีหน้าที่รู้ตามความเป็นจริงเท่านั้นเองนะเขาคิดไปก็ไม่เป็นไรเราก็ตามรู้ไปเออเราก็รู้ไปมันคิดแล้วก็รู้ไปคิดก็รู้ไปแล้วไม่ห้ามความคิดจากการที่เรารู้นั่นแหละ เขาก็จะหยุดของเขาเองนะเพราะเขาแสดงความจริงว่าเมื่อเรารู้ทันแล้วเขาก็ต้องหยุดเขาก็ต้องดับอยู่ดีนะแต่เราไม่บังคับมันก็หยุดคิดนะแต่เมื่อเรารู้ทันเขาก็จะดับไปนี่แหละคือการเจริญสติที่ถูกต้องใช่ไหมนี่เป็นนั่งสมาธิที่ถูกต้องเป็นสัมมาสมาธิใช่ไหมเนี่ยมันเป็นการที่เราตามรู้กายตามรู้ใจใช่ไหมสติก็เหมือนกันเราไม่ไปห้ามเขาแต่เราตามรู้เท่านั้นเองนะมีความคิดเราก็ตามรู้ไปมีความโกรธก็ตามรู้ไปมีความรักก็ตามรู้ไปเนี่ย มันก็เลยเข้ามาสู่จิตตานุปัสนาสติปฐานว่าจิตมีราคะก็รู้มีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะจิตมีโทสะก็รู้มีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะจิตตั้งมั่นก็รู้จิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นก็รู้จิตไม่ตั้งมั่นก็คือตามรู้ตามความเป็นจริงใช่ไหมครูพิจเจ้าไม่บอกว่าจิตมีราคะก็ละราคะจิตมีโทสะก็ละโทสะแต่แค่นี้เราตามรู้ตามความเป็นจริงเท่นั้นเองนะการเราตามรู้นั่ะก็คือเราไม่ไปแทรกแซงไม่ไปบังคับอะไรเขา เราแค่ตามรู้ความจริงเท่านั้นเอง เ, เขาก็จะแสดงมาตายักเราเห็นว่าเออเมื่อเราตามรู้แล้วเขาก็เกิดแล้วก็ดับให้เราเห็นอย่างชัดเจนเลยนะนะความคิดนะจริ ง, รงๆแล้วเมื่อมีความคิดเราเราไม่ไปบอกต้องหยุดคิดเดี๋ยวนี้นะถ้าเราไปบังคับก็ได้ให้หยุดคิดเนี่ยเราก็จะไม่เห็นความจริงว่าเราว่าเขาสแสดงความเกิดดับนะแต่เราใจเย็นๆมีความคิดแล้วก็ตามรู้ไปเขาแสดงความเกิดดับเราเห็นเลยเนี่ยเราไปบังคับนั้นเกาแสดงความเกิดดับเราเห็นหรือเรามีความโกรธนะไม่เราไปบังคับเราก็หายโกรธ เราก็ตามรู้ไปเดี๋ยวก็สแสดงความดับเราเห็นแล้วเพราะรู้ความโกรธขนาดไหนก็ต้องดับอยู่ดีนะถ้าเราใจายเย็ยนเราก็เคยดูก็เห็นความเกิดดับของความโกรธได้เนี่ยมันเป็นปัญญานะเห็นความเกิดดับเนี่ยก็คือเห็นปัตยรักนั่นเองนะเมื่อติดมันเข้าใจปัตยรักจริงๆแล้วเราบังคับบัญชาไม่ได้ทุกอย่างมีในความไม่เที่ยเป็นทุกข์เป็นหน้าตานะพะเหตุที่เราบังคับเขาไม่ได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมถ้าบังคับได้ก็ต้องเที่ยงเขาต้องไม่เป็นทุกข์เขาก็ต้อง ไม่เป็นหน้าตาใช่ไหมจิตก็จะเข้าใจาตรงนี้ปั๊บมันก็รู้ว่าที่เราบังคับก็ไม่ได้นั่นแหละเขาจึงไม่ให้ตัวไม่นตนของเราใช่ไหมตรงนี้เมื่อจิตเข้าใจตรงนี้บ่อยๆเห็นมบ่อยๆแล้วมันก็ค่อยๆกระทอกควายมันตัวตนออกมาใช่ไหมเพราะว่าเราจริงๆก็ไม่มีตัวไม่ตนนะเน่องที่เมื่อกี้เราสวดไปแล้วนะ่ยสัพเพสังขารานิจารูปังนิจจังเวทนานิจจาสังขารานิจจาสัพเพธรรมานตาติ พระพ oh, re ุทธเจ้าได้ทรงแสดงเวลาว่ามันไม่เพียงเป็นทุกเป็นตาไม่ตัวไม่ใช่ตัวไม่เป็นตนผิดเราไม่เข้าใจเท่านั้นเองแล้วก็ไปยึดติดเอาไว้ว่าเป็นตัวเป็นตนของเรานะนะตรงนี้เป็นยึดตรงเนี้เป็นความเข้าใจผิดของเราใช่ไหมสังเกตนะเวลาเราตายนะแป๊บเดียวนั่นเองโดนเผาเนี่ยหาตัวตนไม่เจอแล้วกลายเป็นเศษเท่าเศษกระดูกไม่ตัวตนเราไม่ได้นิดเดียวไอ้มาตรงนี้เห็นชัดอยู่แล้วใช่ไหมนะเพราะนั้นตรงนี้พระพุทธเจ้าก็แสดงพระจะตนแล้วว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราพี่เราไปเข้าใจผิดตัวเป็นตัวเป็นตนของเรา การเข้าใจผิดนี่แหละมันมันเป็นการเข้าใจแล้วเกิดการยึดมั่นถือมั่นนี่ของเรานะนี่สามีของเรานี่ภรรยาของเรานี่ลูกของเรานี่ทรัพย์สมบัติของเราคือไม่ไม่ตัวแล้วมันจะไปยึดอย่างอื่นด้วยแต่เมื่อตัวตนเราเราไม่ยึดแล้วเราปล่อยวางแล้วมันก็ไม่ใช่ลูกของเราไม่ใช่สามีของเราไม่ใช่ภรรยาของเราไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของเราตรงนี้มันก็ออกจากความยึดมั่นถือมั่นได้ทั้งหมดเลยว่าเกิดการละตัวตนนั่นเอง เมื่อเราละได้ปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นว่าทุกอย่างมันไม่ใช่ตัวเมตตนไม่ของเราปุ๊บเนี่ยเมื่อมันจะวางมันก็จะคลายกำหนัดการคลายกำหนัดก็เรียกว่าคลายออกจากตันหาายาเสสะวาิลาคะนิโรโถจะโคปนิสสะโขมุตตานารโยนี่แหละคือนิโรธก็คือการปล่อยการวางการมิติดในตันหา เมื่อมันออกจากตันหาได้มันก็คือเป็นนิโรธก็คือการดับทุกข์นั่นเองนะเมื่อจิตดับทุกข์ได้มันก็มันก็คลายกำหนักทั้งหมดมันก็ออกจากความพ้นทุกข์ได้เพราะว่าความยึดมั่นในใจเราหมดไปแล้วใช่ไหมมันก็เข้าสู่พรนิพพานก็คือความพ้นทุกข์ได้นั่นเองเนาะเนี่มันก็เริ่มจากการที่เราเจริญสตินั่นแหละกลับมารู้ตัวอยู่กับปัจจุบันรู้สึกตัวก็จะเห็นความคิดต่างๆก็ทํางานตามความเป็นจริง มีความรักความโลภความโกรธความนั่งก็ลุกทันก็ไปเขาก็แสดความเกิดดับเราเห็นเราก็ลูกไปตามความเป็นจริงไม่ต้องบังคับเขาในสุตติก็จะเข้าใจว่าเรบาบังคับก็ไม่ได้ก็จะเกิดการปล่อยกันวางนะั่นี่เป็นคนทางการพ้นพทุกข์ที่ท้จริงนะคนในท้ายที่สุดนี้ขอรัตนาบาลมีคุณพระไตรน้อมนำทุกท่านจเจริญด้ศีลสติสมาธิปัญญาแะถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพทุกท่านเทอญ พลังสัมมาสัมพุทธโอภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากาโตภควาตาธโมธมังนามาามิสุปฏติปันโนภควะโตสาวกะสังโคสังขังนาามิ